ใจที่น้อมไปในบาปพระพุทธภาสิทธอภิษฐะเรทะกัลยาเนปาปาจิตังนิวารเยดันทางหิกะรตโตปุญญ่นยางปาปัสมิงรามติงมะโนแปลความว่าควรรีบทำความดีรีบห้ามจิตจากบาปเมื่อทำความดีช้าใจย่อมน้อมไปในบาปอธิบายความบาป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 พระบรมศาสดาจึงตรัสว่าสเจเพยยะทะลุคสะสเจโวลุกขมัปิยังมากะทะปาปะกังกรรมมังอวิวายะดิวารโหถ้าเธอทั้งหลายกลัวความทุกข์ถ้าความทุกข์ไม่เป็นที่รักของเธอทั้งหลายใจขอเธอทั้งหลายอย่าได้ทําบาปทั้งในที่แจ้งและในที่ลับในที่บางแห่งตรัสว่าที่ลับสําหรับผู้ทําบาปนั้นไม่มี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 เป็นธรรมช่วยคุ้มครองโลกช่วยทำโลกให้สะอาดคนไม่มีหิริโอตัปะย่อมหาโอกาสทำบาปได้เสมอคนกล้าแท้จริงต้องเป็นคนกล้าสละบาปคนเราเกิดมามีอวัยวะทุกส่วนทั้งภายในและภายนอกเหมือนกันทำไมบางคนจึงประกฏแก่ผู้อื่นเสมือนมีกลิ่นเหม็นบางคนประกฏแก่ผู้อื่นเสมือนมีกลิ่นหอมอยู่ในตนคำตอบก็คือเพราะพวกแรกแปดเปื้อนไปด้วยบาป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 ย่อมมีอนุภาพในการล้างสิ่งที่แปดเปื้อนด้วยสิ่งโสโครกให้สะอาดนอกจากนี้ยังมีคุณประโยชน์อย่างอื่นอีกมากมายสุดจะพรรณนาให้หมดสิน้นว่าโดยส่วนผลหมายถึงความสุขสมพระพุทธภาสิทธิ์ที่ว่าภิกษุทั้งหลายเธออยากลัวบุญเลยคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขบุคคลเมื่อทาบาบย่อมทาด้วยกายวาจาใจาชันใด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 เป็นเสมือนให้คำจำกัดความที่ยาวหอวาก็้หาพระพุทธภาษิตบทแรกที่ว่าควรรีบทำความดีถ้าจะตั้งปัญหาว่าอะไรคือความดีและอะไรคือความชั่วก็ต้องพูดกันนานปัญหานี้เป็นหน้าที่โดยตรงของนักจริยศาสตร์เอ็กซิซิสซึ่งข้าพเจ้ายังไม่ปรารถนาจะนำมากล่าวในที่นี้ในกาลนี้ขอยกตัวอย่างปัญหาที่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 เพื่อสวัสดิภาพของฉันเองหรือเพื่อคนอื่นถ้าอย่างนั้นอะไรเล่าคือสัดส่วนอันถูกต้องระหว่างสวัสดิภาพทั้งสองอย่างนั้นเสรีภาพแห่งความคิดหรือเจตจำนง r e e d o m of will หมายความอย่างไรความรู้สึกหรือเหตุผลเป็นผู้นำอันถูกต้องของความประพฤติคาว่าความดีความถูกข้อบังคับหน้าที่มโนธรรมเป็นต้นหมายความอย่างไรท้งโดยทฤษฎีและทางปฏิบัติ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 เหมือนแพทย์ทางพยา ธ, ธิวิทยาและแพทย์ทางอายุรศาสตร์ขอย้อนกล่าวเรื่องการรีบทำความดีตามพระพุทธภาสิทธิข้างต้นทำไมจึงต้องรีบทำความดีเหตุผลกแกมแจ้งอยู่ในบทที่สมและที่สคือเมื่อทำความดีหรือบุญช้าไปจิตใจ ย, ย่อมน้อมไปในบาปเปิดโอกาสให้บาปแทรกเข้ามาได้ท่านจึงสอนให้ทาทันทีเมื่อเกิดกุศลกิจขึ้นเพื่อไม่ให้โอกาสแก่บาป ไม่ควรเกี่ยงกันทําความดีเมื่อถึงคราวต้องทําความดีต้องนึกอยู่เสมอว่าเราก่อนเราก่อนในความเป็นคนดีก็เหมือนกันใครจะดีหรือไม่ดีกาช่างเขาเราต้องเป็นคนดีไม่ควรรอเป็นคนดีคนสุดท้ายของโลกการทําความดีก็ต้องรีบทําก่อนอย่าปล่อยใจให้เป็นง่วงเหนียวเรื่องผลมากนักผลย่อมเกิดขึ้นตามเหตุที่บุคคลทําหาได้เกิดขึ้นตามความนึกคิดของเขาไม่ โดยปกติเมื่อบุคคลดับบีจะทําความดีอะไรสักอย่างหนึ่งมักจะมีความรู้สึกที่ตรงกันข้ามแทรกแซงเข้ามาขัดขวางโน้มนําให้ทําไปเสียอีกอย่างหนึ่งความคิดอย่างนี้ที่ท่านเรียกว่ามารคือธรรมชาติหรือสภาพอันคอยล้างพลาญคุณความดีของตนเมื่อจะทําความดีจึงควรรีบทําไม่ให้โอกาสแก่มานั้นเมื่อได้ทําความดีผ่านไปแล้วร่องรอยที่ทิ้งไว้ก็คือความชื่นใจความสุขใจทั้งความดีและความชั่วที่บุคคลทํา ย่อมมีร่องรอยอยู่ในจิตใจเสมอสิ่งนั้นจะกลับเป็นผลมีอิทธิพลต่อชีวิตต่อไปเรื่องนี้พระศาสนาทรงสแสดงที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบ พ, พราหมณ์ชื่อจูเลกะสาดกผู้ต้องต่อสู้กับกุโซลจิตและอกุศลอยู่เกือบตลอดคืนมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพราหมณ์จูเลกะสาดกในเมืองสาวัตถี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 มีการโฆษณาให้คนไปฟังธรรมของพระพุทเจ้าที่เชตวนารามสองสามีพัญญาจึงหันเข้าปรึกษากันว่าใครจะไปกลางวันใครจะไปตอนกลางคืนเพราะไปพร้อมกันไม่ได้ไม่มีผ้าหม่มตกลงกันว่าให้พราหมณีคือพัญญาไปตอนกลางวันเพราะเป็นผู้หญิงพราหมณ์ผู้สามีไปฟังธรรมตอนกลางคืนฟังไปฟังไปเกิดทราบซึ่งในรถพระธรรมเลื่อมใสายแรงกล้า มีปิติปราโมทย์มากต้องการจะบูชาพระศาสดาด้วยผ้าห่มของตนแต่นึกเป็นห่วงไปถึงพราหมณีว่าถ้าถวายพระพุทธเจ้าเสียนางจากไม่มีผ้าหม่มเมื่อจําเป็นต้องออกไปภายนอกศรัท ธ, ธาจิตความคิดในการที่จะถวายผ้าแก่พระพุทธเจ้าและมัตเฉรจิตความคิดนองเหนียวไว้ไม่ถวายของเขาแาดกัน แพ้ผลัดกันชนะอยู่เช่นนี้ตลอดเวลาปฐมยามและมัชชิมยามพอถึงปัจฉิมยามคือประมาณตีสอง่วงแล้วเขาคิดว่าถ้าปล่อยให้มัเฉรจิตครอบงำอยู่อย่างนี้คงไม่พ้นจากอบายสี่เป็นแน่แท้อบายสี่นั้นได้แก่นรกเปรตอสุรกายสัตว์ดิรัชานเรียกอบายภูมิแปลว่าภูมิของสัตว์ที่มีแต่ความทุกข์ยากลำบาก จึงพยายามข่มความตระณีแล้วนำผ้าห่มเข้าไปวางไว้แทบพระยุคลบาทแห่งพระศาสดาพร้อมกับเปล่งเสียงสามครั้งว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วพระราชาประเสริฐที่โกศลประทับทรงธรรมอยู่ที่นั่นด้วยทรงสดับเสียงนั้นให้ราชบุตรไปถามว่าพราม์นั้นชนะอะไรเมื่อทรงทราบเรื่องละเอียดแล้วทรงเห็นว่าพราหมณ์ทําสิ่งที่ทําได้ยากจึงพระราชทานผ้าสาโดกให้คู่หนึ่ง พรามได้ถวายผ้าสาดอคู่นั้นแด่พระศัสดาซีอีกพระราชาจึงพระราชทานให้สองคู่สี่คู่แปดคู่และสิบกคู่โดยลําดับพราหมณ์ได้ถวายผ้าเหล่านั้นทั้งหมดแด่พระศัสดาพระราชาพระราชทานให้อีก32คู่ข่าวนี้พราหมณ์ได้เก็บไว้สองคู่เพื่อตนคู่หนึ่งเพื่อัญญาอีกคู่หนึ่งนอกนั้นได้ถวายพระศัสดา ที่รับไว้สองคู่ก็เพื่อป้องกันคําติเตียนจากผู้อื่นว่ายิงจองหองพระราชามีพระมหากรุณาพระราชทานผ้าเป็นอันมากมิได้รับไว้ใช้สอยเลยแม้แต่ผืนเดียวพระราชาทรงพอพระทัยในจริยาของพรามจึงรับสั่งให้ราชบุรุษไปนําผ้ากําพลคือผ้าขนสัตว์อย่างดีมาให้สองผืนจากพระราชวังมาพระราชทานให้อีกพรามคิดว่า ผ้านั้นดีเกินไปไม่เหมาะสมแก่ตนจึงนำไปทำผ้าเพดานไว้ในพระคันธกุฎีของพระสัสดาพื้นหนึ่งอีกพื้นหนึ่งทำเพดานไว้ที่บ้านของตนในห้องที่นิมนต์พระสงฆ์อาฉันเป็นประจำเย็นวันนั้นพระราชาประสิทธิเสด็จไปเฝ้าพระสาสดาทอดพระเนตรเห็นผ้าํำผลนั้นทูลถามว่าใครนำมาบูชาพระศัสดาตรัสตอบว่าพรามอาสาด พระราชาสรงเลื่อมใสว่าพรามได้เลื่อมใสในบุคคลที่พระองค์ทรงเลื่อมใสเหมือนกันจึงพระราชาทานสิ่งของและบุคคลให้อีกมากคือช้าสี่เชือกมาสี่ตัวกหาพนะคือเงินตราสี่พันหญิงสี่คนทาสีสี่คนชายสี่คนและบ้านให้เก็บสวยได้สี่ตำบลการที่พรามตัดสินใจเด็ดเดี่ยวถวายผ้าผืนเดียวของตนแด่พระาศาสดามีผลมากถึงป่านนี้ ภิกษุสาวกของพระผู้มีพระภาคทราบเรื่องนี้แล้วสนทนากันในธรรมสภาว่าพราม์เอกสาดกถวายทานในเนื้อนาอันดีให้ผลมากในวันนี้ทีเดียวน่าอัศจรรย์แท้พระศาสดาเสด็จมายังธรรมสภาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าพราหมณ์ถวายผ้าสาดกตั้งแต่ปฐมยามเขาจะได้ของอย่างละสิบหก ถ้าถวายในมัจิมยามจะได้ของอย่างละแปดแต่นี่เขาถวายตอนใกล้รุ่งจึงได้ของอย่างละสีภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อจะทำกรรมดีก็ควรรีบทำไม่ควรให้กุศลจิตเสื่อมไปเสียเมื่อบุคคลทํากุศลช้าเมื่อกุศลนั้นจะให้สมบัติย่อให้ช้าเหมือนกันจึงควรรีบทํากุศลกรรมในขณะที่กุศลจิตเกิดนั่นเองดังนี้แล้วได้ตรัสพระคาถาว่า อภิต ะ, ะเรตะกัลยาเนเป็นอาทิมีนัยะดังพนานามาแล้วแต่ต้น